แม้เช่นั้นก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของมันที่เป็นโทษดูลเต็มหัวใจถึงแล่านี้ถ้ามันเลยขอบเขตท่านก็เรียกว่าโลภเลยขอบเขตท่านก็เรียกว่าโกรธเรียกว่าหลงถ้าธรรมดาตามความจำเป็นตามเหตุตามผลที่จําเป็นจะต้องนําสิ่ง น, นี้มาใชา้ท่านก็ไม่เรียกว่าโลภ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 ถ้าว่าปฏิบัติผิดตามหลักเหตุผลคืออัด ร, รมระหว่างสามีภรรยาก็มีการกระทบกระเทือนหรือแต่ร้าวตลอดถึงหย่าร้างกันไปได้หรือรุนแรงยิ่งกว่านั้นก็ได้ถ้าผิดจากหลักธรรมเพราะฉะนั้นคําว่าหลักธรรมจึงเป็นเครื่องดําเนินทั้งที่อยู่ในคารวะาทั้งที่ออกเป็นนักบวชแล้วมีเครื่องดําเนินเพื่อให้การคลองขีดหรือความเป็นอยู่นั้น เป็นไปเพว่ความราบรื่นมีงามสม่ำเสมอไม่กระทบกว่าเทือนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุขในครอบครัวเป็นความสุขในรายของบุคคลบุคคลเป็นรายรายไปเงือนแรกตั้งแต่เป็นเครื่องลาทุกขออกจากหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นภูมิมุ่งหน้าจะปฏิบัติอัตธรรมเพื่อจะขนทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วพนา จ, จิตใจออกโดยลําดับนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง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 อย่างนันกับปิณยาโลประโภชนางนิสัยประภะาอีกเลยมันมาชาวสมุทรแล้วอาศัยให้อาศัยกำลังกรีแขร่งของตนคือเที่ยวบินสมบัตก็ทานเขามากินอย่างนี้เป็นประจำจนตลอดชีวิตให้เธอตั้งหลายจงทำความมุสานอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นอันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนอุเตกราชที่เหลือเฟือทั้งขว่าปายเห็นิมันตนงังสลากภัตตังอุเดสะัตตังนี้เป็นตน้นทั้งหลักกับพาดถึ ง, งเขาอินมวนประฉันที่นอนที่นี่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 หากได้ถูกขัดเกลารอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วก็จะต้องมีความสว่างสวัยขึ้นมาเพราะได้รับการบำรุงกิเลสที่เคยกำ เ, กเริบเิบชานมาโดยลำดับลำนาตั้งแต่ยังไม่มีสติเสตังที่จะหาอุบายแก้ไขคราะนั้นก็ค่อยๆสงบเงินสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปโดยลำดบับสติปัญญาก็มีทางแกกล้าสามารถขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วก็ขัดเกลารจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยมลทินคือกิเลสทั้งหลายครอบคลุมอยู่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 เมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยบำเพ็ญธรรมจะได้ความสงบเงย็นใจมาจากไหนแต่เมื่อได้รับพระว่าจากพระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วนําไปประพฤติปฏิบัติจิตใจที่เคยฟุง้งเฟอเ้อเหื่อมมาเป็นเวลานานก็ว่าเห็นมีปัญหาอะไรต้องสงบตัวลงได้ในวันหนึ่งี่เมื่อจิตใจสงบตัวลงก็เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยเห็นมาในที่ไหไหน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 ปัญญาความฉลาดแหลมคมก็ไม่เคยคิดแม้จะคิดในทางอื่นก็เพราะเรื่องปัญญาทางโลกกระเสียไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสเพื่อเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภารรยในจิตใจเพราะอานาจแห่งปัญญานี้เป็นเครื่องถอดถอนสิ่งที่ไม่สิ่งที่โลกลุงมลังนั้นออกไปก็ได้ปรากฏขึ้นมาที่ใจเมื่อปัญญา ได้ปรากฏขึ้นมากน้อยเรื่องกิเลสค่อยหลุดรอยไปดว้วยอานาจของปัญญาก็เห็นได้ชัดปรากฏได้ชัด น, นี่ก็เป็นเรื่องเพิ่มศรัทธาอีกเช่นเดียวกันเพิ่มกําลังทุกด้านเข้ามาอีกเช่นเดียวกันที่จะมีความขายันหมั่นเพียรต่อการพิจพิจารณาต่อการคนา้นคว้าต่อการลื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของคนให้ค่อยหมดสึ้นไปโดยลำํำดับลาดั บ, บที่กล่าวมาทั้งหมดนี้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 เจอกับความทุกข์ร้อนอยู่ตลอดมาเมื่อสติปัญญางเรามีความสามารถเบิกหรือเปิดเผยสิ่งที่านี้หรือสิ่งมืดมิ ด, มดปิดตานี้ออกได้โดยดําดับดับจนกระทั่งเห็นแจ้งชัดในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวเราซึ่งเราเคยกลัวมาตั้งแต่ก่อนมีความตายเป็นต้นก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาดูด้วยกันได้คนตายคนเป็นอยู่ด้วยกันได้ความทุกข์กับเราอยู่ด้วยกันได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมานาน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 อันไหนที่ร่มจมอันไหนที่คลิปหายไม่มีอะไรชลิปหายไม่มีอะไร่มจมเป็นไปเพียงว่าความเปลี่ยนสภาพจากส่วนผสมที่เราว่าเป็นเราเป็นของเหล่านี้ออกเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุต่างของเขาเท่านั้นปัญญาได้อย่างทราบชัดแคนี้แล้วจิตใจของเราก็เป็นเราคือเป็นใจของเราเป็นความรู้ของเราโดยเฉพาะไม่ไปอาศัยสิ่งนั้นมาเป็นเราเป็นของเราไม่พึ่งพิงกับสิ่งใดเพราะเราพอตัวของเราด้วยปัญญาสำนักราษาให้ถึงความรู้สิกโดยสิ้นเชิงแล้ว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 เสียเวลาวลาหันไปสอนลูกชาวมาเลเซีนาสนาเป็นต้นให้ไปอยู่ที่นูน่นที่นูน่นที่นูน่นกิเลสมันมันไม่ชอบแต่ธรรมะชอบที่นั่นนั่นแหลเป็นสถานที่ปราบปรามกิเลสทั้งหลายได้ความขัดข้องขาดเขิน ค, ค, ความอดอยากอยากซึ่งโลกทั้งหลายไม่ต้องการกิเลสไม่ต้องการสถานที่นั้นแลเป็นสถานที่ทำต้องการเป็นสถานที่ทำเจริญ เจริญในที่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เจริญในที่เช่นนั้นเป็นพระพุทธเจ้าด้วยในสถานที่เช่นนั้นสาวกทั้งหลายก็เจริญได้นานที่เช่นนั้นพ้นทุกได้ในที่เช่นนั้นการสอนทำแก่ผู้เด็ดดเียวอาหารที่จะมุ่งความพ้นทุกโดยเดียวจึงสอนให้ไปสู่ในสถานที่เท่นั้นให้บำเพ็ญเช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อความบุดพ้นได้โดยรวดเร็วไม่ต้องเสียวเวลามเวลามาเกาิด ม, มาตายไม้เอาป่าชา้าที่นั้นที่นี่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นเจ้าของอยู่ทั่วโลกทั่วดินแดนม่า แบบจองต่าช้านั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนลูกถ้าควรจะยกให้พ้นทุกข์โดยทีเดียวก็สอนตรงแน่วไปอย่างนั้นถ้าผู้ยังไม่สามารถผู้ยังไม่เข้าใจ เ, าเหมือนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ท่านก็ต้องสอนอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นความดีเช่นเดียวกัน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 สุดความสามารถของเด็กของครูที่จะสอนกันนี่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านก็สอนอย่างนั้นสอนบุคคลคนเดียวนั่นแหลสอนธรรมะพื้นๆต่อไปก็เลื่อนในบุคคลคนนั้นอีกเช่นอนุพิกถานห้าอย่างนี้ทานศีลเนคพระสวรรค์เนคพระมาเลื่อยเรื่อยๆในบุคคลคนเดียวก็ได้ในบุคคลหลายจําพวกก็ได้นะั่นฟังก็ได้รับประโยชน์ไปโดยลําดับลํดาดับจนกระทั่งถึงอาทินวักถานแล้วยก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 ประพฤติตัวดีนี่ชื่อว่านำทุกข์ออกจากอบกตัวนั้นๆโดยลําดับจนกระทั่งถึงนําทุกออกจากผู้บําเพ็ญทั้งหลายอย่างเราๆท่านๆตามความสามารถของตนที่จะเหยียบหยิ บ, ย, บยกทุกออกได้ด้วยอํนานาจของสติปัญญาใดในความสามารถของตนก็พยายามดิบเหล่นขวัญขวายทําเสียตั้งแต่บัดนี้คําว่าไปสู่โลกหน้า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 นัฮิโนส่สรงนรันเต น, นะมหาเส น, นีนัมภินารเรื่องความตานี้เป็นเสนาอันใหญ่โตมากไม่มีใครจะรัดข้านต้านทานได้น่ะท่านว่าอะไรอย่างนั้นเป็นความจริงลน้วนๆใครเป็นคนที่สามารถต้านทานความตาได้ในโลกนี้ไม่มีปา่าช้าเหมือนโลกเขามีไหมไม่มีชื่อว่ารูปว่ากาว่าหญิงม่าชาแล้วเป็นกองปา่าช้าทั้งนั้นออ <ฮะ S 2> ไม่ใช่กองอำนาจแต่เป็นกองปา่าช้าไม่มีความอำนาจที่จะ ที่จะไม่ตายได้เพราะฉะนั้นความเพียรใดที่เราควรจะได้ในวันนี้ในขณะนี้เรานี้เรื่มพ้นขวามเจ้าทะนันบัต้สร้างเสียให้พอกุศลาธรรมาดังที่เคยสอนแล้วสอนขึ้นให้ใจนี้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวของใจเมื่อทันนี้แล้วกุศลาธรรมาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครสร้างให้พอดื่มให้พอกุศลาพอตัวแล้ว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 นี่หมายถึงว่าไม่มีโรคไหนจะมาทํำปีนของเราให้เป็นทุกข์ได้นอกจากกิเลสเท่านั้นที่ทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกนี่แหละมีเท่านี้แก้ตรงนี้แล้วหายสงสัยทั้งหมดไม่ต้องไปเที่ยวดูโลกนั้นโลกนี้ก็ได้ทราบอยู่ภายในจิตใจของตนเองนี่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ธรรมะท่านสอนลงที่นี่นี่แหละรำที่ว่าเป็นเครื่องแก้ทุกข์ให้สัตว์ลุดถอดถอนจากทุกข์ให้สัตว์โลกโดยถ่ายเดียวนั้นประมวลมาแล้วถอดถอ น, ถอนที่จิตใจนี้